ที่เขาเอา ก, กุดบอ่อดินไปไปไปก่อนอะไรถมกบบ่อดินโอ้ใช้เงินมากพอสมควรเมื่อวานวันนี้เป็นวันอังคารได้ จ, จุดตปัจจัยส า, สามล้านกว่าบาทก็ได้มากพอสมควรอยู่ก่อสร้างวัดใหม่คงจะได้ใช้ทุนและททับมากแต่เมื่อวานก็มาฉันที่บริษัทของคุณวศิน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 ราศีในสิงโตอกัดวัวบ้างกัดเก้งกัดกวางบ้างกัดช้างบ้างาแล้วกส็สู้กันบ้างลักษณะอย่างนั้นนะแต่เราเราเห็นแต่ภายนอกแต่ทีนี้พอมามองภายในของเราทีนี้พอเรามองเห็นอย่างนั้นแล้วนะี่ยเราย้อนมาดูมนุษย์ของเราการอยู่อยู่ด้วยกันของพวกเราไม่ใช่ย่อยอีกเหมือนกันเออ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 ถ้าชำระเชื้อในใจออกจากจิตใจแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกจะไปอีกมิติหนะึ่งนี่ว่านิพพานนิพพานางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ไปค้นคว้าศึกษาท่านประกาศท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของเราของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเหยียบโลกนี้อีกแล้วไม่มาเกิดในโลกนี้อีกแล้วจากนั้นเมื่อ พ, พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานในโค้งสุดท้ายนพระองค์ยังไปยืนอยู่ที่เนินหรือว่าเนินเจดีย์ของเมืองเวสาลีนี่ทอดพระเนตรบอกว่าเมืองเวสาลีเนี่ยเราจะได้เราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว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 มองสรรพสัตว์โลกท้องสัตว์โลกพอเห็นแล้วก็ใช่แต่พอมามองมองเราโอ้ใจสรรพสัตว์มันเบียดเบียนกันจริงๆนี่แหละหลวงพ่อเองเมื่ อ, อายุสิบหกสิบเจ็ดปีกำลังวัยครึกวัยครึกขนองมองโลกเป็นสวรรค์สั้นฟ้าไปหมดมองเลย สดชื่นแจ่มใสอย่างนั้นนะมองโลกในในทางบวกนในช่วงนั้นนะเป็นสมณเณรอยู่ในป่านขนาดอยู่ในป่านะก็ยังโอ้มองโลกไปในทางสดใสพอะเดินปินบินทบาด เ, เห็นคู่เห็นคนเห็นหมู่เห็นเพื่อนเก่าแก่เห็นเด็กหนุ่มหญิงสาวรุ่นลาวข้าวเดียวกันรู้สึกว่าเขาสดชื่นแจ่มใส อใจเราเรามาอยู่ในปา่าในโรงเนี่ยเราอยู่แบบเงียบๆปอนๆมันไม่ฮมันไม่มีสีไม่สีเวลาเลยมันทุกอย่างนี่นะ อ, อมันคิดในช่วงนั้นนะ อ, อจากนั้นมาเกินมันจะกระโดดออกไปสู่วัฏสงสารเนี่ยแหลถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีแนะนําสั่งสอนออพ่อแม่หลังหลังเอาไว้นะมันคงจะกระโดด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 สุขที่แท้จริงนั้นของมนุษย์ก็คืออะไรสุขที่ท้าวอนนั่นคืออะไรสุขที่มนุษย์ต้องการสูงสุดนั่นคืออะไรว่าพิจรารณาดูๆแล้วเข้าใจนั่นแหละนะัเข้าใจมาเรื่อยๆนะนะนะบอกให้พาลูกพาหลานจิาญาณโยมได้ฟังนะเอาตอนนี้ไปรับพรประสูอนโมตนาให้พร